ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องด่าด้วยรักโดยสมณะทราบซึงสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20สตุลาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ขอาการเันเต้ลบูดด้วยครับอ่ะจะริญนทำญาติทานทุกท่านพรุ่งนี้นะวันที่21ตุลาคมนะหรือว่าขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันออกพรรษาก็ตั้งแต่เข้าพรรษามาก็มี หลายคนนะทั้งญาติธรรมทั้งคนวัดมาตั้งตะบะด้วยก็ร่วมๆรวมๆสักสมสิบสามสิบกว่าคนนั่นที่มาตั้งตะบะด้วยหลายคนปกติพอตั้งตะบะแล้วก็รู้สึกว่าเงียบหายไปเลยบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นตอนใกล้ๆยกอพรรษาเนี่ย แล้วพอเห็นหน้าคราวนี้รู้ส so> ึกว่าสดชื่นแจ่มใสดีเพราะว่าพรุ่งนี้จะออกรราแล้วก็ไม่รู้นะเหตุใดชะไหนเอ่ยที่บางคนตั้งดับบาตแล้วก็หายเงียบไปเลยนี่นะก็ไม่แน่อาจจะไปสุ่มนะทำได้อย่างดีเลยก็ได้เพราะอาตมามากจะแนะนำว่าผู้ที่ตั้งดับบาตไปแล้วเนี่ยคือหนึ่งอย่างแรก คือจะต้องไปตรวจตบาตัวเองให้เสมอเสมอที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจทุกวันการตรวจทุกวันเนี่ยมันทําให้เราอย่างน้อยๆนะจะําตบาที่ตัวเองตั้งเอาไว้ได้บางคนมีเหมือนกันนะั่ตั้งตาบาไว้แล้วอ่ะพอถามว่าตั้งอะไรไว้นั่งนึกอยู่นัา่นาน่ะนึกไม่ออกว่าตั้งอะไรโอ้อะตมาว่าอย่างนี้มันไม่ไหวนะแสดงว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วก็ไม่คลังเลย งันการตั้งตะบาตเนี่ยมันต้องหมายถึงเราตั้งจิตตั้งใจละ ว, ว่าเราจะทำอย่างนี้ให้ได้นะตลอดทั้งพรรษานี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งตลอดพรรษาเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็มารายงานให้ฟังเป็นช่วงช่วงนะซึ่งก็หวังว่าหลายคนที่ปฏิบัติได้ดีก็อนุโมทนาแล้วเท่าที่สังเกตมาผู้ที่ตั้งตะบะไว้แล้วก็ตั้งใจในการ ฝึกฝนตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำได้ดีมักจะทำต่อไปเรื่อยอะ่ะถึงจะออกพรรษาก็ยังทำต่อไปเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอใครทําได้แล้วเนี่ยจะเห็นผลหรือเห็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติได้แล้วว่าเออกิเลสมันลดน้อยลงเนี่ยจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกาย นะเรื่องวังเทศฟังธรรมเรื่องอะไรที่คนนั้นตั้งดบะเอาไว้ปรากฏว่าพอทำได้แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเองสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นหรือแม้แต่สภาวะอารมณ์หรือว่าจิตใจในเรื่องนั้นๆก็จะดีขึ้นซึ่งเมื่อคนเราเนี่ยทำสิ่งไหนแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมาเนี่ยมีหรือเราจะทอดทิ้งหรือเราจะไม่ไม่อยากทาต่อไปมันไม่มีหรอก นอกจากประเภทที่ตั้งตาบะแล้วก็กลํากืนฝืนทนนะวันวันึก็นั่งนับเมื่อไรยอพรรษาเมื่อไรยอพรรษานั่งนับวันคอยขีดปฏิทินไปเรื่อยนะทีละวันทีละวันอาตมาว่าอย่างนี้โอ้นะปฏิบัติไปแล้วมันมันกดคมแบบเก็บกดนะแล้วก็ทรมานไปไม่รอดอย่างนี้แสดงว่าเราปฏิบัติแล้วมันมันไม่ได้ถึงจิต ไม่ได้ถึงใจเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปเนี่ยมันฝืนฝืนแบบในขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คิดคิดแต่จะออกอะ่ะหรือหรือบางทีเขาใช้คาว่าจะแหกพรนสา <c oughs> นะคือจ ะ, จะออกอยู่เรื่อยจะออกจากตาบะอยู่เรื่อยคือในขณะที่ทําเนี่ยเสียสละแล้วก็ทําดีแล้วก็ตั้งใจทําเพื่อจะลดกิเลสตัวเองแต่ในขณะที่ทําอยู่นั่นน่ะอายกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ย ตั้งตาบ่าว่าอ้านะเข้าบรรษานี้อาจจะงดนะไม่กินพวกของหวานนะอาจจะเป็นขนมหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกของหวานเนี่ยนะว่าจะงดเพราะว่าติดของหวานมาันมากพอตั้งตบาบ่าไปเสร็จเอาก็ไปประพฤติสิก็เอาไปกระทําแต่ในขณะที่ทําอยู่เนี่ยนะบางทีตอนที่ไปตากอาหารหรือว่าไปเดินผ่านหน้าร้านที่เขาขายใช่ไหม ในขณะที่ผ่านไปเนี่ยหรือว่าในขณะที่เห็นอาหารวางอยู่เนี่แล้วเราสติเราก็เตือนเราอยู่แล้วว่าเออตะบาของเรานะงดว่าไม่กินของหวานพวกนี้แต่มันไม่หยุดอย่างนี้ดิแล้วก็ไม่ไม่คิดในทางที่ว่าเออมันจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไงใช่ไหมโอ้โหถ้าเราทําได้นี่นะเป็นการลดกิเลสเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นคือคือไม่นึกไปนในทางที่ สร้างปิติในการเสียสละแต่นึกยังไงรู้ไหมบางทีกูว่าแล้วไม่น่าตั้งเลยนะบางทีกลายไปเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้อาตมาว่าไปไม่รอดนะเอาวันแรกอาจจะไปรอดก็ได้เดี๋ยวพอวันที่สองก็เอาอีกแล้วนะพอผ่านมาเจอหรือว่าพอเห็นเข้าอ่ะเอาละคือกลับไปนึกถึงความอร่อยของมันใช่ไหมไปนึกถึงความอยากของมันโอ้โหก็ยิ่งดิ้น ทุรนทุ ร, ทรายยิ่งทรมานถ้าอย่างเงี้ยเก็บกดไปเรื่อยนะก็ส่วนใหญ่นะถ้าตั้งไว้ยาวจนถึงออกพรรษาเนี่ยบางทีไปไม่รอดหรอกมันตายคาพรรษานั่นนะสู้ไม่ไหวเพราะอันนี้ก็ก็ฝากไว้น่เป็นแง่คิดที่หลายๆคนซึ่งตั้งต่งตะบะแล้วเนี่ยบางครั้งก็จริงไม่มีใครหรอกที่ตั้งต่งตะบะอะไรแล้วก็ไม่มีล้มมีทั้งนั้นแหละ นะบางทีเราตั้งจิตไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้ได้บางครั้งมันประเมินผิดพลาดก็ได้เกินกำลังของเราพอตั้งไปแล้วมันทำไม่ไหวสู้เต็มที่แล้วก็เอ๊มันมันไม่ถูกละมันไปไม่รอดละบางทีมันก็ลม้มแต่ใครเนี่ยที่พิจารณาแล้วก็ตรวจตบ่าของตัวเองเนี่ยอย่างสัมมาทิฏฐิย่งถูกต้องอยู่เนี่ยแม้คนนั้นเนี่ยจะ พ, าพลาดพรั้งจะเสียทีไป แต่อาตมาเชื่อว่าคนนั้นจะได้ประสบการณ์ที่ดีคราวหน้าคราวหลังเนี่ยเมื่อตั้งตาบาหรือทำใหม่เนี่ยจะทำได้ดีกว่าเก่าแล้วก็จะไม่ล้มง่ายๆนะพอจะประเมินกำลังของตัวเองเนี่ยได้ถูกต้องได้มากขึ้นเหมือนกันไม่ใช่แค่ ญ, ญาติโยมเท่านั้นนะแม้แต่พวกนักบวชเองก็ตามพวกสมณะสิกขมาตนะหรือสมณเณรก็ล้วนมีตาบาที่จะทากันทั้งนั้นแหละ นะซึ่งก็ต้องสู้นะก็หลายท่านถ้าใครมาฟังตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาใช่ไหมที่มาเวียนทำบ้างอะไรบ้างบางท่านท่านก็ตั้งอยู่่ะใช่ไหมแล้วท่านก็บอกให้พวกเราฟังด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้ทั้งนั้นถ้าตาบใดเนี่ยเรายังมีกิเลสอยู่แล้วนะมันก็ต้องอดทนแต่อดทนไม่ใช่เก็บกดอันนี้อาตมามักจะพูดบ่อยซึ่งหลายคนไม่ค่อยเข้าใจแลนะ ทั้งๆ ท, ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยมันหนีไม่พ้นว่ามันต้องอดทนราะบางคนที่ทอะไรนิดทำอะไรหน่อยเนี่ยไม่อดทนเลยเพราะบอกไม่ไหวหรอกอย่างนี้เก็บกดตายยังไม่ทันอดทนเลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บกดตายแล้วอย่างนี้ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บกดเนี่ยมันต้องมาจากฝึกฝนการอดทนใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่รู้จากวิธีคิด หรือไม่รู้จักวิธีวางใจมันเลยกลายเป็นเก็บกดแต่อดทนเนี่นะเรารู้จักคิดเรารู้จักวางใจในขณะที่เราต่อสู้กับกิเลสอันนี้แหละเราถึงจะอดทนไปได้ยาวและอดทนไปได้ตลอดนะคือรู้จักคิดในแง่บวกคิดในแง่ที่ทำให้เรามีพลังจิตในการที่จะต่อสู้กับกิเลสเราเนี่ยได้มากขึ้นได้ยาวนาน อาตมาเห็นบางคนเนี่ยพอสู้กิเลสสู้กิเลสแล้วบางทีโอ้โหทำท่าจะไม่ไหวละเพราะว่ากิเลสมันก็เล่นงานเราอะ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะไอความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยสมมติ่าถ้าเรื่องกินอย่างเงี้ยเราเคยกินอร่อยอร่อยโอ้โหรสชาติมันเป็นอย่างงี้อย่างนี้พอตอนที่คุณงดคุณเว้นมันนี่นะโอ้โหมันมันลอยมาเลยนะทั้งกลิน่น ถ้ามีแสงสีเสียงมันมาหมดแหละถ้ามันมาได้มันมาหมดเลยจนนี่ที่เรกีกว่าบางคนนี่โอ้โหเรียกว่าอุตรุดเลยนะเรียกว่าพยายามเต็มที่เลยเ<ท>พราะนั้นตอนที่มันมาเนี่ยแหละแล้วแล้วเราก็ไปปรุงอยู่กับมันไงมาไปปรุงโอ้โหมันเคยอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในสภาพความเป็นจริงคือเราอดเรา ง, งดเราฝืตานต้านกันอยู่อย่างเงี้ยต้านกันอยู่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะจิตเนี่ยมันคิดไปในทาง ในทางลบอ่ะในทางที่เสริมกิเลสแต่ปากเราเนี่ยมือเรานี่งดไม่ยิบไม่กินโอ้โหรูนทรมานทรกรรมมากเลยคุณไม่มีผู้ช่วยเลยคุณไม่มีกำลังเสริมอะไรเลยนะเพราะว่าผู้ช่วยเราก็คือใจเราใช่ั้มผู้ช่วยของเราในการต่อสู้นี่คือใจเราเองนะในเมื่อคุณคุณไม่ไม่มีผู้ช่วยเนี่ยคือใจคุณไม่ช่วยเองแล้วใครหน้าไหนจะมาช่วยละ่ะเพราะไอ้อันนี้เนี่ยมัน มันต้องสู้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเน่ยคนอื่นอย่างเก่งอ้าวนักบวชจะบอกให้คุณฟังวิธีแก้วิธีอะไรต่ออะไรวิธีคิดอะไรต่างๆบอกนะแต่ใจคุณมันไม่ยอมคิดตามแล้วมันก็ไม่ยอมไปตามนี่มันก็ยังคิดอยู่แต่โอ้โหนี่หอมนะนี่อร่อยนะมันเปรี้ยวหวานมันเผ็ดอย่างนี้นะเสร็จทุกไลน์ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต้องแก้จิตตรงแย่เราให้ได้ในขณะที่เราสู้ มันขนาดไหนในที่เราอดทนอยู่เนี่ยแล้วคุณจะอดทนได้นะคุณจะต้องปรับจิตตัวเองให้ได้ด้วยในการที่คิดในเชิงบวกในเชิงที่เป็นกําลังใจเราในเชิงที่เสริมพลังจิตเรานะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเออแหมหมูม่กลุ่มเราก็หลายคนก็ก็ทําได้เราก็น่าจะเป็นคนนึงนะที่เราก็มีฝีมือเหมือนกันนะเราก็ทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะหรือว่า เราก็คิดว่าโอ้โหถ้าเราทําได้นี่เดี๋ยวนี้เราจะสบายกว่าเดิมเลยนะถ้าเราทําได้เราลดละได้เนเงินก็ไม่ต้องเปื้องเวลาก็ไม่ต้องเสียนะโอ้โหจิตใจเรานะเราก็จะได้ปิติได้สุขยิ่งกว่าเดิมคือเนี่ยเยเราคิดในเชิงพวกเนี้มันจะทําให้การอดทนของเราเนี่ยอดทนได้ดีขึ้นแล้วก็สูงขึ้นแล้วมันจะไม่เป็นสภาพเก็บกดแต่ถ้าใครไปคิดในแง่ลบนะในขณะปฏิบัติอยู่คนน่าจะเก็บกดไปเรื่อย แล้วก็จะพังไปไม่รอดลายไหนรายนั้นเนี่ยอาตมายังเคยพูดให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าโอโหบางลายเนี่ยรอสมมุติว่าพรุ่งนี้ออกพรรษาใช่ไหมเราก็เริ่มนับตั้งแตง่พรุ่งนี้นับตั้งแต่กี่โมงอ่ะถึงจะเรียกว่าพรุ่งนี้เที่ยงคืนเหรอบางคนเนี่ยรอเป้งเที่ยงคืนเท่านั้นเนี่ยทันทีเลยแล้วโอโหแสดงว่า นะทรมานทรกกำ ม, มามากเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตะบะทำเนี่ยพอเราปฏิบัติไปแล้วมันจะยิ่งโอ้โหเบาสบายนะเพราะกิเลสคุณมันจะโดนทรมานไม่ใช่คุณทรมานนะจริงๆกิเลสมันจะโดนทรมานแต่ปรากฏว่าพวกเราเนี่ยพอไปตั้งตะบะไปถือศีนเข้าแล้วทําไปทํามารู้สึกโอ้ทาไมเราทรมานตัวเองอย่างนี้ <c ười> คือคิดว่าทรมานตัวเอง ไม่ใช่ความจริงเราทรมานกิเลสไม่ให้ทรมานตัวเรานะแต่หลายคนเนี่ยแบบว่าก็ไม่รู้สิทําไมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยายามปรับอารมณ์ไม่พยายามปรับความคิดหาผู้ช่วยได้อันมมาบอกแล้วแม้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตเราไม่ค่อยยอมไปหาคนพูดคุยด้วยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้พูดคุยกับใครเขากอขึ้นไปที่อย่างอย่างถ้าอยู่ที่วัดนี่นะหรือใกล้วัดเขาก็ขึ้นไปที่พระ บรมสารีริกธาตนะเขาขึ้นไปนะไปเดินจงกรมบ้างไปกราบพระธาตุบ้างเพื่อที่จะให้แบบว่าจิตมันมีพลังขึ้นมาคืออย่างเงี้ยเราต้องอาศัยบางทีหลายอย่างเข้ามาช่วยเกื้อกูลเราเพราะว่าบางครั้งพลังเราก็อาจจะไม่เข้มแข็งคอต้องฉลาดคุณสู้กับ ก, กิเลสนี่แม่คุณเล่นสมาถะแบบ เอาหัวชนฝาอย่างเดียวนี่มันรอดยากเหมือนกันนะบางทีแต่ก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าบางครั้งนี่ไม่ใช้เลยเนี่ยนะมัวคิดอะไรคิดอะไรต่ออะไรคิดเหตุผลคิดไปคิดมามันเสียท่ากิเลสหมดเพราะบางทีพอคิดได้ขนาดนึงแล้วต้องตัดใจเลยตัดใจว่าเอออย่างเงี้ยดีแล้วล่ะแล้วก็ทําเลยนะทำด้วยความตั้งใจแล้วก็เอาจริงแล้วก็ยิ่งถ้ามีหมู่พวก เพื่อนฝูงนะ่อย่างอย่างเนี้ยมาอะไรถืออุโบสถนะเข้าค่ายถืออุโบสถศีลนั่นะถือศีลแปกันอย่างเงี้ยบางทียิ่งมามีกลุ่มมามีมวล ม, มีพวกบางครั้งเรายิ่งได้คุยกันได้ถามกันแล้วเห็นคนนั้นคนนี้เขาก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้มันมีพลังในการที่จะเสริมให้เราเนี่ยมีความอดทนมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติเนี่ยได้มากขึ้น นะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกบรรษาแล้วนะหลายคนก็อะไรอ่ะบอกกับอาตมาไว้นะหรืออาตมาก็บอกเขาไว้เหมือนกันบอกว่ายังไงนี่ออกบรรษาแล้วต้องมารายงานผลนะว่าที่ทำไปแล้วได้ยังไงบ้างหรือว่าเสียยังไงบ้างนะส่วนสำหรับทางด้านสมณะหรือนักบวชเนี่ยพรุ่งนี้นะ ตามประเพณีตามเหมือนกับจารีตของศาสนาพุทธเรานะวันสุดท้ายของการออกพรรษานะขึ้น15ค่้าำเดือน11นะก็จะมีการเขาเรียกว่าบปรวรารนาะช่วงออกพรรษาเนี่ยจะบปรวรนากันนะซึ่งการบปรวารนาเนี่ยพระเจ้าท่านก็ให้มีแล้วก็ให้ทำนะอย่างง้อยน้อ ย, อยนะท่านก็ ถือว่าเนี่ยสามเดือนอ่ะไปอยู่เข้าพรรษาที่ไหนอ่ะด้วยกันเนี่ยสามเดือนนะปฏิบัติกันยังไงไปทำดีทำไม่ดีอะไรยังไงมาเนี่ยท่านก็บอกว่านี่แหละมาปาวรณาว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นจารีประเพณี ท, ที่ที่ก็ทำกันมาตลอดแต่ที่ข้างนอกๆนอกเขาก็อาจจะทำอย่างของเขาอ่ะนะอ่าเขาก็มาอะไรอ่ะพอถึงเวลาเขาก็เขาเรียกว่าอะไรสวดเลย หรือว่าท่องอะไรท่องออกบัาษาที่ปราวนาเป็นภาษาบาลีนะสังคมพันเตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีแค่นั้นใช่ไมแล้วก็ถือว่าจบกันไป เ, เขาคือเขาไม่ไม่ได้ไปถามจริงๆว่าว่าเป็นยังไงอะไรยังไงปฏิบัติมาอะไรเงี้ยคือจะไม่มีหรอกส่วนใหญ่นะแต่อย่างของอโศกเราเนี่ยคือเราเราไม่เอาแต่แต่บาลีหรือแต่ภาษามันของอโศกเราทุกที่ ไม่ว่าอยู่พุทธฐานไหนหรือว่าสังฆสถานไหนเราเอาภาคปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นในเราไม่รอออกปรรษาเลยด้วยซ้ำไปแต่แต่ก่อนนี่บางทีพอออกปรรษาแล้วเนี่ยเราไปงานมหาปรารณากันคือสมณะทั้งหมดทุกรูปนาจากทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าอยู่แห่งหนใดไกลที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมารวมกันทั้งหมดทุกรูปนะแล้วก็จะมีการเราใช้คําว่ามหาด้วยซ้าไปนะมหาปวารณา ที่เรียกว่าจะมารวมกันทั้งหมดแล้วก็มีการนี่แหละติติงเตือนว่ากล่าวกันอันนั้นรวมจากทุกที่นะพุทธฐานนั้นสังฆสถานนี้มารวมกันแล้วก็ให้ขุมทรัพย์อีกนะถ้าเกิดได้ข่าวมาว่ายิงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าเอ อ, อยางงั้นอย่างนี้เนี่ยก็ให้ขุมทรัพย์คุณคิดดูนะส่วนแต่ละที่เนี่ย สมมติเอาอย่างที่สันเตียโซกหนะที่ที่นี่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแหละคือเราไม่รอออกหรอกเราเอาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราอาจจะมีแบบจับฉลากหรือว่ารูปไหนท่านสมัครก็สมัครเลยนะคราวไหนที่ประชุมกันเนี่ยก็เอาเลยสมมติว่าอ่าวท่านรูปนี้หมูก็จะซักถามหรือว่าบางทีไปเห็นมาว่าท่านทำอะไรเหมาะไม่เหมาะยังไงมานะก็จะติงเตือนท่าน จะบอกกล่าวท่านนะหรือว่าบางทีก็ถามว่าเป็นไงเข้ารรษามาหรือปฏิบัติทรมาเนี่ยจิตใจเป็นยังไงบ้างนะยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ไหมนะก็สอบถามหรือว่าหนักใจเรื่องอะไรหรือบางทีไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็ก็ให้กุ่มซับกันเราจะทำเลยโดยโด ย, โดยภาคปฏิบัติจริงๆจนกระทั่งทุกที่เนี่ยจะทาอย่างนี้เสร็จ เสร็จแล้วตอนนี้ถึงจะไปรวมในมหาปรณาใหญ่นะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอันนั้นอันนั้นรอบชิงชนะเลิศอันนั้นรอบใหญ่จอนนี้ที่เรียกว่าโอ้เต็มที่นะแต่ก็มีเหมือนกันอ่ะบางปีรู้สึกว่าคือชี้ขุณทรัพย์กันมากมาเข้ามากเข้ามาก เ, เ, เข้านะติติงเตือนกันมากเข้ามากเข้าบางทีก็โหหนักหัวอยู่เหมือนกันนะมีเหมือนกันบางปีก็เออปีนี้ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องติงเตือนว่ากันอะไรแล้วนะเพราะว่าก็มาเยอะแล้วอะ่ะบางทีก็บอกอ้าวปีนี้ก็ชมกันแล้วกัน <c oughs> นละ้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็มีนะแต่ไม่แคล้วหรอกพวกอโศกเนี่ยถนัดติงถนัดเตือนบางทีชมกันเนี่ยฟังแล้วเอ้นี่ชมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ฟังแล้วะนะรู้สึกเอ้นชมหรือเปล่าเนี่ย นะอันนี้ ก, ก็ก็พูดให้ฟังให้เห็นถึงจารีตประเพณีถ้าว่าจริงๆผู้เจ้าเนี่ยท่านสอนไม่หมดแล้วก็สอนไว้อย่างดีเลยถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามเนี่ยเราจะได้อะไรดีๆเยอะจริงๆคำว่าปวรารณาเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างนะโดยโด ย, โดยทั่วๆ ว, วไปที่พวกเรารับทราบแล้วก็เข้าใจกันมหาป ว, รปรวรารณาความหมายอย่างแรกเนี่ยแลก็เท่าที่พวกเราคุ้นๆ น, นะ เข้าใจว่ายังไง ท, ที่อย่างแรกที่พวกเรามักจะเข้าใจกันอย่างเช่นอ้วนาวปวารณาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่รู้เข้าใจไหมเนี่ยบอกว่าอ้าวนี่ไม่ได้ปวารณาไว้ ก, ก็ก็ไม่ได้หรอกอย่างสมมติว่าญาติโยมอย่างเงี้ยบางทีใช่ไหมกับนักบวชในาศาสนาพุทธเนี่ยถ้าไม่ใช่คือญาต ใช่ไมไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องอะไรตามสายโลหิตเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุของของพุทธแล้วเนี่ยก็จะไปบอกกล่าวหรือจะไปขอว่ า, าขาดแขนไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยก็บอกไม่ได้ถ้าบอกก็ก็มีมีอาบัติอยู่มีมีความผิดอยู่เพราะฉะนั้นน่ขอได้ก็เฉพาะกับเครือญาติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยญาติโยมก็เลย ต้องมาปรวรณนาท่านคือหมายความว่าเปิดโอกาสให้ให้ท่านขอได้นะ ถ, ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ก็คือเปิดโอกาสให้ท่านขอได้แต่บางคนเนี่ยกลัวเพราะว่าอาตมาเคยฟังมาเพราะว่าหลายคนไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจกลัวว่าเอ๊เดี๋ยวบอกท่านบอกว่าท่านขาบหรืออะไรก็ขอได้เดี๋ยวท่านเกิดขอรถยนต์จะขันจนะทาไง คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคือจริงๆเนี่ยการที่เราปรารนาท่านเนี่ยเรากําหนดได้อยู่อยู่ที่ที่เราเป็นผู้กําหนดอยู่แล้วกําหนดเป็นทรัพย์สินก็ได้กําหนดเป็นประเภทสิ่งของก็ได้กําหนดเวลาก็ได้อยู่ที่ที่เราเองเลยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเราก็กําหนดว่าอาท่านถ้าท่านขาดเหลื อ, อสมมุตินะสมมุติ ท่านขาดเหลื อ, อยังไงถ้าต้องไปทํทาแว่นตาอาสมมุตินะท่านสมมุติว่าท่านใช้แว่นตาท่านต้องทำแว่นตาเนี่ยบอกได้เลยนะผมจ ะ, ะช่วยให้อะไรอย่างเงี้ยอ่าหรืออาจจะบวกกาหนดเวลาไปก็ได้บอกว่าภายในเดือนนี้นะครับวันนั้นถ้าพ้นเดือนนี้นี่ท่านท่านขอเราไว้ได้แล้วนะถ้าพ้นเดือนนี้ขอเราไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย คือโอในวินยัยในอะไรนี่มันมันมีไว้หมดแล้วแม้แต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่บอกกาหนดเวลาไว้เนี่ยใช่ไหมเราปราวณาท่านไว้แต่ว่าไม่ได้บอกกาหนดเวลานะก็ภายในสี่เดือนไม่เกินสี่เดือน <c oughs> ถือว่าหมดอายุ <c oughs> หมดอายุยกเว้นว่าเราไปปภาวณาท่านแล้วเราก็บอกว่าถ้าท่านขาดหลือยังไง ก็บอกบอกผมได้เลยนะครับตลอดชีวิตของผมเออถ้าอย่างนี้เอาละทีนะไม่รู้แหละตาบใดุณยังไม่ตายท่าน ก, ทานก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะบอกได้หรือเราจำกัดจำนวนว่าถ้าไม่เกินพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสิ่งนั้นเข้าของนะั้นไม่เกินพันบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กผมช่วยท่านได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเราทุกอย่างเลย นะเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอันนี้มีเหมือนกันนะรู้สึกว่าบางคนประวัลนาไว้แล้วพอดีอ่ะไอตอนประวัลนาเนี่ยเศรษฐกิจดีไงรู้สึกว่ามีเงินอยู่กับตัวพอสมควรแต่พอประวัลนาไปแล้วเศรษฐกิจตกชักไม่ค่อยมีเงินนี่รู้สึกว่าชักไม่ค่อยกล้าเจอผู้ที่เราไปปรวัลนาไว้นะก็มีอยู่เหมือนกันไม่ต้องกังวลหรอกแมทําอย่างกับ นักบวชจะไปอะไรกันนักกันหนาแล้วยิ่งถ้าเป็นนักบวชโสกนี่โอ้ยไม่ไปอะไรมากมายหรอกเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติอะไรที่ให้ใหมันมาในทางมักน้อยสันโดษอยู่แล้วละ่ะนะไม่ต้องไปห่วงอะไรมาก อ, อ, อันนั้นเป็นเป็นความหมายหนึ่งของปราวรณาส่วนอีกความหมายหนึ่งเนี่ยของปา ร, รณาที่ตะกี้อาตมาก็บอกไปแล้วละ่ะก็คือการที่ เปิดโอกาสให้ตเตือนให้ว่าก่าวกันได้วันอย่างพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้ามืดเนี่ยทางที่สันติยโศกเราสมนาก็จะไปรวมกันแล้วก็ประวรตนาออกรรษานะก็จะมีผู้ภาษาบาลีก่อนนะสังคมพันเตปาวาเรมิอะไรก็ว่าไปแหละจนกระทั่งจบสามครั้งนะมันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปสามจบซึ่งความหมายโดยคร่าวๆก็หมายความว่า เนี่ยเข้าพรรษาร่วมกันมา3มเดือนนี้เนี่ยนะถ้าได้ไปได้ยินได้ฟังมาได้ไปพบเห็นมาหรือแม้แต่สงสัยว่าเนี่ยท่านไปทําผิดพลาดไปอะไรที่ไหนยังไงมาหรือเปล่าอะไรเนี่ยดึงเตือนผมได้นะว่ากล่าวผลได้ด้วยความหวังดีด้วยความเอ็ do, นดะูแล้วผมก็จะไปแก้ไขจะไปปรับปรุง เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะอย่างเนี้ยแล้วแต่ละรูปแต่ละรูปท่านก็จะจะบอกให้กับสาวนารูปอื่นๆที่ท่านอยู่ในในอาวาสนั้นนะหรือว่าเพื่อนนักบวชด้วยกันเนี่ยว่าเนี่ยนะครับสามารถบอกกล่าวผมได้เลยติงเตือนผมได้เลยวันเป็นการเปิดโอกาสให้วันมีอะไรปั๊บเอาเลยคราวนี้เปิดโอกาสให้แล้วเนี่ยวันนั้นติงเตือนได้ว่ากล่าวด้วยได้ แต่จะต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งคือคือด้วยความปรารถนาดีหรือว่าด้วยความเอ็นดูอันเนี้ยมันจะมีอันนี้อยู่ด้วยนะซึ่งจริงๆระดับนักบวชไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้บางครั้งเนี่ยาทางคราวาส ญ, ญาติโยมเราก็มีเหมือนกันเพราะอาตมาว่าก็เป็นประเพณีที่ดีบางที่บางแห่งของอโศกเรานะแม้แต่ที่อาตมาเคย ได้ข่าวหรือว่าเคยพบเห็นมาเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ภูผาฟ้าน้ํานี่ก็จะมีคารวะญาติโยมเขาก็ประวัติกันเองนะเขาก็จะประชุมกันเหมือนกันแล้วก็ประวณติกันเองคือคือทางด้านนักบวชนักบวชก็ไปประวัติกันทางด้านคารวะญาติโยมที่เขาอยู่เข้าพรรษามาด้วยกันเนี่ยเขาก็ประวัตกันล้อมวงเลยนะล้อมวงเลยแล้วก็อา้าวใครจะติงเตือนใครจะว่ากล่าวกันยังไงเพียงแต่ว่าบางที ไม่มีกรรมการก็ระวังหน่อย <c oughs> คือสัมมนาไม่อยู่นะยังไงติงเตือนเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้เจ้าสอนเหมือนกันเรื่องของการติงเตือนการว่ากล่าวนะอามาก็คิดคิดอยู่ว่าเคยเคยเอามาเทศเคยเอามาบอกพวกเราอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็นานแล้วนะก็ยังนึกอยู่ว่าเออจะเอามาให้พวกเรา ได้ฟังกันนะว่าผู้เจ้าเนี่ยท่านตัดเอาไว้ยังไงในเรื่องของการติงเตือนผู้อื่นนะถ้าเราเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าอ๋อผู้เจ้าท่านสอนมาอย่างนี้แล้วเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะทําให้การติงเตือนของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ดีเพราะบางทีเนี่ยเราเตือนไปเราก็เตือนแบบลูกทุ่งเตือนไปตามอารมณ์เตือนไปตามความคิดของเราซึ่งบางทีก็เป็นผลดีบ้างบางทีก็เป็นผลเสียบ้าง แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านแนะนำไว้เลยถ้าจะติงเตือนใครจะให้ขุมทรัพย์ใครเขาเนี่ยนะก็น่าจะมีห้าข้อนี้นะซึ่งอันนี้ท่านท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดนะข้อที่ห้าร้อยห้าท่านบอกว่าผู้ที่ปรารถนาจะทักท้วงตักเตือนผู้อื่นพึงตั้งความดีไว้ห้าประการในตนนะเนี่ยจะต้องตั้งความดีเอาไว้ มันคนที่จะเตือนคนอื่นก่อนเนี่ยจะต้องมีสติจะต้องรู้ตัวห้าอย่างนี้เอาไว้จะเตือนใครเขาอ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงตัวเราเลยจะเตือนใครเนี่ยเราคิดแต่เอาละนะจะเตือนเขาอย่างไงคือเรามักจะคิดแต่เขาแต่เราเนี่ยจะลืมคิดถึงตัวเองวันอันนี้ลองดูนะว่าเราจะต้องเตือนตัวเองยังไงบ้างหนึ่ง เราจะกล่าวตักเตือนโดยเวลาอันเหมาะควรจะไม่กล่าวตักเตือนโดยเวลาอันไม่ควรวันนี้นะน่ดึงพูดง่ายว่าให้รู้กาละเทศะว่าเออเวลานี้ควรจะเตือนไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะบางครั้งไม่ต้องอื่นไกลหรอกบางครั้งภายในครอบครัวเนี่ยอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยนะเราอยากจะเตือนอะไรอะ่ะสมมติว่าแม่บ้านอยากจะเตือนพ่อบ้านอย่างเงี้ย พอบ้านทำงานมาสมมติว่าแดดร้อนๆเอาขับรถเข้ามาถึงหน้าเงือกซกเข้ามาถึงอย่างเงี้ยเราเองเอาละเดี๋ยวรอกลับมาบ้านพอมาถึงเราก็เอาเลยน่าจะติจะว่าอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้กาละอันควรว่าแหมบางทีเขาเหนื่อยเขาล่อนมาพร้อมจะอารมณ์เสียก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลยเชยเราไม่รู้ละเราไม่คําดึงถึงอะไรอย่างเงี้ยน่ะเราก็เตือนไปเลย ซึ่งบางทีเนี่ยบางทีมันเป็นผลเสียแต่บางครั้งเขาุดหยิดกดหยิดเลยอะ่ะนะเหนื่อยมาเพราะว่าไอคนบางทีร้อนร้อเหนื่อยเนยเข้ามามันก็มีพบว่าเออกลับมาแล้วก็แหม่นะเจอบอกบอกอะไรนะเอาเอาน้ํามาลินน้ํามาให้ดื่มนะหรือว่าอ้าวบอกให้นั่งพักหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอาจจะมีพบว่าแหมมาเจอในลักษณะนี้หน่อยแต่พอที่ไหนได้ มาถึงมาเจอโอ้โหว่าเอาว่าเอาบ า, า, า, างทีเนี่ยโอ้โหโกรธเลยแล้วก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่รู้กากละอันควรนะหรืออ ย, ย อ, อ, ยงงยอย่างบางทียกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางทีอย่างกำลังกินข้าวกันอยู่อย่าเงี้ยกินข้าวกันอยู่เงี้ยนะตอนแรกกลาลังกินนันอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยดีอยู่นะกลาลังแหม่คุยกันอะไรอะอย่างสบายใจเสร็จแล้วก็เอาเรื่องที่แบบว่าจะติจะว่าอะไรเงี้ย นะโอ้โหไปติไปว่าตอนที่เขากำลังกินอาหารอยู่นะเซ็งเลยคนนี้บางทีกินไม่ลงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนติโดนว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบชอบใจหรือเปล่าเป็นเรื่องที่คนที่โดนติโดนว่าเนี่ยจะชอบใจไหมเออจริงๆมันไม่มั น, ม, นมันไม่น่าชอบใจอยู่แล้วนะเพราะว่า ต้องโดนติต้องโดนว่าเพอเพอบางทีขุดคุยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราถึงต้องดูกาลาเทสะว่าบางทีนะโ h o p ติเพราะว่าไปแล้วนี่เขาเลิกกินเลยนะมันจุกที่ลูกกระเดือกเนะี่ยไอจุกที่คอขอยเนี่ยนะก็เลยกินไม่ลงเลยหรือบางทีก็กลายเป็นกินข้าวคลุกน้ําตาไม่ใช่ข้าวคลุกกะปินะกินข้าวคลุกน้ําตาในน้ําตานะซึ่งอย่างเนี้ย หรือบางทีก็มีเอายกตัวอย่างอย่างในวัดนะบางทีบางครั้งสมณะท่านก็ฉันอาหารอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริ ง, รงๆเราก็เออถ้าโดยสามัญทั่วไปเนี่ยโดยความรู้สึกเราใช่ไหมเราก็เออก็น่าจะให้ท่านฉันฉันไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมีธุ ร, ประปาปังอะไรไงเดี๋ยวก็รอท่านฉันเสร็จแล้วเราค่อยค่อยไปคุยนะ้ายกเว้นว่าอะไรอ่ะมันเกิด ไฟไหม้มันเกิดอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ามันไม่ได้คอขาดบาตายมันไม่ถึงอะไรอย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็เออก็ให้ท่านฉันเสร็จก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะยิ่งโดยเฉพาะบอกแล้วยิ่งจะไปให้คุ้มทรัพย์ท่าน <c oughs> ท่านก็ฉันอยู่อย่างเงี้ยวัยกไว้ก่อนเดี๋ยวรอเวลาหน่อยก็ได้นี่